วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสอง0ันห้าร้อยหกสิบเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่เราจะเริ่มปีใหม่เริ่มชีวิตใหม่ของเราการที่เราจะเริ่มชีวิตใหม่ของเรานี้ให้ดีขึ้น สิ่งที่เราต้องมีประการแรกก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเราว่าการได้เป็นมนุษย์นี้เป็นของที่ยากมากเป็นของที่มีคุณค่ามากชีวิตของมนุษย์นี้ สามารถเจริญไปถึงขีดสูงสุดได้คือได้ไปบรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นจะไม่มีโอกาสเหมือนกับมนุษย์เพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ใน จะมีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนานั่นเองพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องเกิดในโลกของมนุษย์เพราะผู้ที่จะมาประกาศพระพุทธศาสนาคือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันต้องเป็นมนุษย์เป็นอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะ สรูเป็นพระอาหารหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าได้การที่เราได้เป็นมนุษย์กันและการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนากันนี้จึงเป็นของที่หายากมากเป็นเหมือนเพชรที่หาได้ยากจึงมีราคาแพงมากมีคุณค่ามากเพราะถ้าเรา เป็นมนุษย์และมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกทางเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์หรือถ้าเราเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ยกเว้นถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระ อ, อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้มีบารมีอันแก่กล้าสามารถตัดสรุธทำได้ด้วยตนเองสามารถพบทางสู่การหลุดพ้นได้ด้วยตนเองนอกนั้นแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถทำได้ จะต้องรอให้มีพระพุทธศาสนาขึ้นมาก่อนคือให้มีพระพุทธเจ้าตัดสรุธรรมแล้วนำธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนพอได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐถ้าเกิดศรัทธาก็จะสามารถน้อมนำเอาอไปปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติก็จะได้บรรลุ เป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นําทางและต้องเป็นมนุษย์ถึงจะสามารถเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เพราะถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้ฟังธรรมก็ไม่เข้าใจ เช่นสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในป่านี้เช่นนกเอ่ยสัตว์เหล่านี้ถึงแม้เขาจะได้ยินเสียงธรรมแต่เขาจะไม่เข้าใจความหมายเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องกระทาอะไรอย่างไรจึงทําให้เขานี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกต้องเป็นมนุษย์ ที่เข้าใจภาษาของพระพุทธศาสนาสมัยพระพุทธการนิศาสนาก็มีภาษาของชาวอินเดียแต่ต่อมาก็มีการเอามาแปลเป็นภาษาไทยกันถ้ายังเป็นภาษาอินเดียอยู่พวกเราฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราสวดมนต์กัน เวลาที่เราสวดมนต์นี้เราสวดภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้กันในประเทศอินเดียในครั้งพุทธกาลเราสวดไปถึงแม้ว่าจะเป็นคำสอนอันตรเสรฐของพระพุทธเจ้าสวดไปเราก็ไม่เข้าใจความหมายเราก็จะไม่สามารถที่จะ <c oughs> นำเอาไปปฏิบัติได้สิ่งที่เราได้อย่างมาก จากการสวดมนต์ภาษาบาลีนี้ก็จะทำให้ใจเราสงบทำให้เรามีสติเพราะเวลาเราสวด น, นี้เราต้องมีาการจดจ่ออยู่กับบทสวดถ้าเราไม่จดจ่ออยู่กับบทสวดเราก็จะสวดไม่ได้ดงนั้นขณะที่เราสวดมนต์เราจะมีสติ เราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วถ้าเราสวดไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะเย็ยนลงจะสงบลงจะมีความสุขเราก็จะได้เพียงเท่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจคมหมายความหมายของภาษาที่เราสวดแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของ บทสวดมนต์เราก็จะได้ปัญญาเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิ <c oughs> คือเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่งามที่เราควรปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้พอเราปฏิบัติแล้วผลต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมา เช่นเดียวกับผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับพระพุทธเจ้าทรงเหตุทรงแสดงเหตุที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญมาว่าทำอย่างไรจึงได้ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเรานำเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญนี้มาบําเพ็ญกันมาปฏิบัติกัน เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็อาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ยินได้ฟังแล้วพอเกิดความเข้าใจรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรพอนําเอาไปปฏิบัติจิตของท่านก็บรรลุธรรมหลุดพน้น จากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทันทีเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับเหตุถ้ามีเหตุผลก็จะต้องตามมาเหมือนกับเวลาที่เราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกกล้วยเดี๋ยวเราก็ต้องได้ผลกล้วยเป็นผลตอบแทนถ้าเราปลูก ส้มเดี๋ยวเราก็ต้องได้ส้มอันนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลไม่ว่าใครจะนาเอาไปเอาไปปลูกไม่สำคัญคนไทยเอาไปปลูกก็ได้ผลเหมือนกันคนอินเดียเอาไปปลูกก็ได้ผลเหมือนกันผู้ชายเอาไปปลูกก็ได้ผลเหมือนกันผู้หญิงเอาไปปลูกก็ได้ผลเหมือนกัน ผู้คลองเรือนคารวาสเอาไปปลูกก็ได้ผลเหมือนกันบรรพชิตนักบวชเอาไปปลูกก็ได้ผลเช่นเดียวกันเหตุกับผลนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลว่าจะต้องเป็นบุคคลชนิดนั้นบุคคลชนิดนี้แต่สิ่งที่เกี่ยวก็คือต้องเป็นมนุษย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นั่นเอง พระพุทธเจ้าพูดภาษามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะเรียนภาษาของมนุษย์ด้วยกันได้แต่สัตว์เดราชฉานนี้เขาไม่สามารถที่จะเรียนภาษาของมนุษย์ได้อย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังแล้วก็มีลิงช้างมาอุปถากถึงแม้พระพุทธเจ้าจะสอนเขาก็ไม่สามารถ ก็ไม่สามารถที่จะสอนเขาได้สอนได้ก็อย่างที่เราสอนสุนักเราจะสอนสุนักได้ก็เพียงแต่ให้มันวิ่งมาวิ่งไปให้มันนั่งให้มันยืนเท่านั้นแต่จะสอนให้มันพูดสอนให้มันทาอะไรเหมือนกับเราสอนมนุษย์นี้เราไม่สามารถสอนได้เพราะความสามารถของสัตว์เดรัจฉานกับความสามารถของมนุษย์ที่จะเรียนรู้ภาษานี่ มีไม่เท่ากันนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะมีความภูมิใจหรือมีความดีใจที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันเพราะถ้าเราเกิดมาเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้เช่นมีสุนัขที่เขามาทิ้งไว้ที่วัดนี่มีจำนวนมากแต่สุนัขนี้เขาจะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เลย นอกจากความเมตตาของพระพุทธศาสนาที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตของเขาและเลี้ยงดูชีวิตของเขาเท่านั้นในวัดนี้เราถือว่าเป็นเขตอภัยทานจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้ามีสัตว์มาอาศัยอยู่ในวัดสัตว์ก็จะปลอดภัยแล้วก็จะมีอาหารที่เหลือจากก้นบาทของพระไปรับประทาน ถ้าเป็นเวลาชานเขาก็จะได้รับประโยชน์เพียงเท่านี้ได้รับความเมตตาจากพระพุทธศาสนาให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างไม่หิวโหวยแต่เขาจะไม่สามารถรับทำอันประเสริฐที่จะทำให้เขานำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย เราจึงควรที่จะมีความภูมิใจมีความดีใจที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันเพราะเรามีโอกาสที่จะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสที่จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติมีโอกาสที่จะบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเรามีพระพุทธศาสนาเป็นผู้อบรมสั่งสอนถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ได้ประโยชน์มากนะเพราะเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย จะต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถพาให้พวกเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศ า, ส, าสนาเช่นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าก็พยายามไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆแต่ก็ไม่มีอาจารย์รูปใดสามารถสอนให้พระองค์หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดได้เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สอนได้ก็เพียงแต่ให้หลบความทุกข์ได้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นเวลามีความทุกข์ก็ให้นั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบความทุกข์นั้นก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาพบกับเรื่องที่ทําให้ทุกข์ใจก็จะกลับทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้อีก ถึงทำให้พระพุทธเจ้าจต้องแสวงหาวิธีที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความตายไม่มีใครรู้จักวิธีทำอย่างไรไม่ให้ใจทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายแต่พระองค์อยากจะ ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยทรงพยายามศึกษาค้นคว้าหาดูว่าทาไมถึงต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ทรงค้นพบว่าเพราะความหลงนั่นเองหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราทาั้งทั้งที่ความเป็นจริงนี้ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเลย ร่างกายนี้มันเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญเราได้รับร่างกายนี้เป็นของขวัญจากพ่อแม่แล้วก็ร่างกายนี้ก็มีอายุไขของมันมีเส้นทางเดินของมันเกิดเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่มันก็จะต้องเจ็บและมันจะต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันเหมือนกันทุกคน แต่ความทุกข์ใจนี้ทําไมจึงมีกันทุกคนก็เพราะความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเนั่นเองความจริงไม่ใช่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่เป็นดวงวิญญาณตอนที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป ใจนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ของพ่อแม่คนใหม่พอถึงเวลาที่จะได้รับร่างกายใจก็จะไปรับทันทีด้วยการส่งกระแสวิญญาณทั้งห้าไปเกาะที่ร่างกายไปเกาะที่ตาหูจมูกิินกายวิญญาณที่ไปเกาะอยู่ที่ตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณ วิญญาณที่ไปเกาะที่หูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณเป็นต้นมีห้าวิญญาณด้วยกันที่ไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รับข้อมูลจากทางร่างกายจากทางตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายนี้ออกจากท้องพ่อจากท้องแม่มาก็จะลืมตา ก็จะเริ่มเห็นภาพต่างๆเห็นรูปต่างๆจะได้ยินเสียงต่างๆจะได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆเช่นอากาศที่หนาวเย็นหรือร้อนหรือสิ่งของที่มากระทบที่เป็นของแข็งหรือเป็นของนุ่มร่างกายเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆ แล้วก็ส่งปาให้ที่ใจใจที่ส่งวิญญาณทั้งห้านี้มาเป็นสายเชื่อมกันใจกับร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันร่างกายนี้อยู่ในโลกนี้ที่เราเรียกว่าโลกธกาตุเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทำมาจากธาตุสี่นั่นเองคือทำมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ สนใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกกทาตนี้ใจของพวกเราอยู่ในโลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณโลกของที่โลกที่ไม่มีรูปร่างเป็นโลกของผู้รู้ผู้คิดแต่อาศัยร่างกายที่ใช้วิญญาณทั้งห้านี้มาเชื่อมต่อกันทําให้ใจนี้สามารถ รับรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เช่นใจสามารถเห็นภาพต่างๆที่ตามองเห็นพอตาพอตามองเห็นก็จะถูกส่งไปทางวิญญาณทางตาแล้วก็เข้าไปสู่ใจใจก็จะรับมาแล้วก็เอามาจาภาพต่างๆไว้พอภาพนั้นภาพนี้เคยเห็นแล้วพอครั้งต่อไปก็จะจำได้ทันที จะรู้ว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรแต่ถ้าเป็นภาพที่ยังไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรเป็นรูปอะไรก็ต้องศึกษาดูว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำพอครั้งต่อไปเจอภาพนี้ก็จะจำได้เช่นเราพบคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน เราก็ศึกษาคุณสมบัติของเขาว่าเขาเป็นใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาวอะไรมาจากประเทศไหนมีสามีมีภรรยาหรือเปล่ามีงานทำที่ไหนอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆเราก็จะค้นคว้าเพื่อให้เรารู้ว่าภาพที่เราเห็นของภาพนี้มีคุณสมบัติอะไร แล้วเราก็เก็บไว้ในใจสิ่งที่เก็บไว้ในใจนี้เราเรียกว่าสัญญาสัญญานี้จะจำสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจะจำรูปภาพจะจำเสียงจะจำกลิ่นจะจำรสจะจำอะไรต่างๆแล้วพอได้สัมผัสแล้วก็จะเกิดเวทนาขึ้นมา คือความรู้สึกต่อภาพต่างๆหรือเสียงต่างๆถ้าเป็นภาพที่ชอบก็จะเกิดความสุขสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นภาพเสียงกินรสที่ไม่ชอบก็จะเป็นทุก ข, ขเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรกับภาพ กับรูปเสียงกิน่นรสที่ได้มาสัมผัสเนี่ยถ้าเป็นรูปเสียงกิยรตรสที่ชอบก็จะคิดปรุงแต่งอยากได้ถ้ามีถ้ามีแล้วก็อยากจะเก็บไว้นานๆถ้าเป็นรูปเสียงกิยรตรสที่ไม่อยากได้ที่ไม่ชอบก็จะไม่อยากได้อยากจะให้มันหายไปพราเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาภายในใจ ถ้าอยากได้แล้วได้ดังใจอยากก็เกิดความสบายใจถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้าอยากไม่ได้แล้วยังได้อยู่ก็เกิดความทุกข์ใจถ้าอยากให้มันหายไปแต่มันไม่หายไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ความทุกข์ใจนี้ต่างจากความรู้สึก ที่เรียกว่าเวทนาเวทนานี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบหรือไม่ชอบก็จะเกิดสุขคเวทนาหรือทุกขเวทนาทันทีแต่ยังไม่มีทุก์หรือไม่ทุกทุก์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความคิดปุงแต่งขึ้นมาพอได้สัมผัสกับรูปที่ทาให้เกิดสุขเวทนา ก็อยากได้รูปนั้นอยากจะเก็บรูปนั้นไว้อยู่กับตนไปนานๆพอเก็บไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจที่อธิบายให้เกิดความเข้าใจให้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวมีอายุประมาณแปดสิบเก้าสิบปีก็จะต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่มีวันตายใจเป็นของที่ไม่ตายใจจึงต้องไปเปลี่ยนร่างกายใหม่อยู่ไดเรื่อยเพราะใจยังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหา รูปเสียงกิ่นลดต่างๆมาเสพพอร่างกายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เช่นเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะใจไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ก็เป็นไปไม่ได้ความทุกข์ของใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราที่เราไม่เข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อของแม่ที่เราได้รับมาเป็นของขวัญที่มีอายุไขที่อยู่ไปแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไป ถ้าเราฉลาดเราคิดเราพิจารณาดูธรรมชาติของร่างกายเราก็จะเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเลยมันมาจากพ่อจากแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่นี้ร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่าร่างกายนี้ พอพ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วเราก็มันกับมาเป็นเราขึ้นมาทันทีความจริงเรามาจากที่อื่นเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจถ้าเรารู้ว่าร่างกายเป็นอะไรไม่ได้มาทำให้เราเป็นอะไรไปด้วยต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ตอนนี้เราหลงกันเราขาดสัมมาทิฏฐิกัน เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายเป็นอะไรเราก็จะเป็นไปกับร่างกายอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบความจริงแล้วร่างกายแก่แต่เราไม่ได้แก่ไปกับ ร, รบ่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้เจ็บไข้ไปด้วยกับร่างกายร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบทรงตัดสั่ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำอะไรต่างๆในการหาความสุขต่างๆที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาความสุขมาให้กับใจได้ ใจจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันเพราะเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจจะไม่สามารถหาความสุขได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งคน้นคว้าค้นพบว่าการที่เราจะไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกาย เราต้องมีความสุขในตัวเราก่อนการที่เราจะมีความสุขในตัวเราได้นี้เราต้องทำใจให้สงบถ้าใจของเราสงบแล้วเราจะมีความสุขในตัวเราทำให้เราไม่ต้องอาศัยร่างกายไปหาความสุขมาให้กับเราถ้าเรามีความสุขในใจความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วร่างกายจะแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองเขาแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไป เขาตายก็ปล่อยเขาตายไปไม่เป็นปัญหาอะไรใจสามารถอยู่ตามลำพังได้มีความสุขจากความสงบของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายไม่ต้องพึ่งพาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสก็คือบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆที่เราไปสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้นกายมาถ้าเรามีความสุขแล้วใน ที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเราก็ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายจะมีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วก็จะไม่มีหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ถือว่าจบกันจะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกอีกต่อไป ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นพาลาฮาเวปัญจักขันธาเป็นภาระที่หนักอย่างยิ่งหนึ่งในขันห้าก็คือร่างกายนี้พวกเราทุกวันนี้แบกร่างกายนี้กันทุกข์กับร่างกายนี้กันทุกข์กับการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกกับความตายของร่างกายเพื่อหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลธพระชนิดต่างๆที่เป็นความสุขสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอย่างที่ได้ทรงจัดไว้ว่านัตติสันติบาลังสุขขังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ ที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนใครมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะไม่ต้องการความสุขชนิดอื่นอีกต่อไปเหมือนกับเวลาที่เราได้ของที่ของของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าเราก็จะไม่ใช้ของเก่าเช่นถ้าเราได้รถยนต์คันใหม่ที่ดีกว่ารถยนต์คันเก่า รถยนต์คันเก่าเราก็ขายทิ้งไปได้หรือเอาไปทำบุญทาทานยกให้คนอื่นไปเพราะเราได้รถยนต์คันใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้าเรายังไม่มีรถยนต์คันใหม่ที่ดีกว่าคันเก่าเราก็ยังต้องทนใช้รถคันเก่าไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะเสียบ้างวิ่งได้บ้าง ว, วิ่งไม่ได้บ้างมันก็ยังดีกว่าไม่มียังดีกว่าเดินเราจะคิดอย่างนั้น ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเราก็ยังจะยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถึงแม้ว่าบางเวลามันจะทาให้เราเศร้าหมองเวลาที่เราอยากได้เขาแล้วเขาไม่เขาไ ม, เาไม่เขาไม่มาหาเราอย่างนี้เราก็จะเกิดความเหงาความเศร้าหมองความว้าเหวแต่ก็เราก็เปลี่ยนคนได้ถ้าคนนี้เขาไม่มาเราก็ไปหาอีกคนก็ได้เพราะมีหลายคน ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องได้ใครสักคนหนึ่งมาให้ความสุขกับเราแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็อาจจะจากเราไปอีกพอเขาจากเราไปอีกเราก็ต้องหาใหม่อีกนั้นเราก็จะอยู่กับความทุกข์กับความสุขสลับกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะได้ความสุข แต่ถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือความสุขที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขแบบสุขสุ ข, สขดิบดิบบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับความสามารถของร่างกายแต่ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้พอเรารู้จักวิธีหามันแล้วนี่เราจะมีมันได้ตลอดเวลา ต้องการเมื่อไหร่ก็สามารถมีได้ทันทีแล้วจะไม่หายไปไม่จากเราไปเหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาหาความสุขทางใจกันมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมกัน แล้วเราจะมีเครื่องมือที่จะทำใจของพวกเราให้สงบเหมือนกับเรามีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายต่างกันตรงที่ความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเวลาดับก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมาแต่ถ้าเรา มาหาความสุขจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาเราจะได้รับความสุขแบบที่ไม่หายไปเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วพระองค์ก็ได้ความสุขที่ถาวร ที่ไม่มีวันจากพระองค์ไปที่เรียกว่าบัลลมะสุนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามาแสวงหากันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งความสุขที่เป็นความสุขแบบสุขสุ ข, สขดิๆความสุขแบบมีความทุกข์สลับกันไปสลับกันมาเวลามันทุกข์นี่เป็นแสนทรมานใจ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลื้นกายได้เวลานั้นเป็นเวลาที่ทรมานใจและยิ่งถ้าไม่สบายแบบยาวๆแบบถาวรคือเป็นอมพุกอมภ า, าเป็นคนพิการไปนีจะไม่ค่อยมีความสุขเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมลกลิ้นกายได้นั่นเอง สู้มาหาความสุขทางใจกันดีกว่ามาหาความสุขที่เกิดจากการาจะเดิญศีลสมาธิปัญญากันเพราะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถทำใจให้สงบให้มีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแบบนี้ เราต้องการศีลต้องการสมาธิต้องการปัญญาเป็นเครื่องมือตอนนี้พวกเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญากันเราจึงไม่มีความสุขทางใจกันเราเลยต้องไปหาความสุขทางร่างกายที่เป็นความทุกข์สนับกับความสุขดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเจอความทุกข์จากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เรามาหาความสุขทางใจกันดีกว่ามาหัดมารักษาศีลกันเริ่มต้นก็รักษาศีลห้าก่อนแต่เราต้องขยับขึ้นไปสู่ศีลแปดถ้าเราต้องการที่จะทําใจให้สงบศีลห้านี้จะมีกําลังไม่พอที่จะคอยควบคุมใจไม่ให้ออกไปหา ความสุขต่างๆหาความทุกข์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้ามีศีลแปดนี้มันจะเป็นเหมือนกำแพงของคุกตารางเลยคนที่ถือศีลแปดนี้เหมือนติดคุกติดตารางไม่สามารถออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เมื่อไม่สามารถออกไปก็จะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญามาเจริญสติ เพื่อควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดเพราะถ้าใจหยุดคิดได้แล้วใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุข น, นี้แล้วก็จะยินดีที่จะติดคุกยินดีที่จะรักษาศีลแปดไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องออกไปนอกคุก ไปหาความสุขอีกแล้วเพราะความสุขในคุกนี้ดีกว่าความสุขที่อยู่นอกคุกความสุขในคุกของศีลนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่อยู่นอกคุกของศีลผู้ที่ไม่รักษาศีลแปดหรือศีลห้านี้เขาก็จะสามารถออกไปหาความสุขต่างๆได้แต่ความสุขเหล่านั้นมันจะพลิกกลับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาวันใดวันหนึ่ง และเวลามันที่เวลาที่มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี้มันจะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจเป็นอย่างมากเช่นคนที่ไม่รักษาศีลหา้าเช่นคนที่ประพฤติผิดประเวณีพอพอต่อมาภรรยาหรือสามีรู้ว่าภรรยาหรือสามีของตนแอบไปมีชู้นี้เดี๋ยวบ้านก็แตกสาลัดขาดขึ้นมาเกิดสงครามกันขึ้นมา วุ่นวายกันไปหมดทั้งภรรยาทั้งสามีทั้งลูกทั้งปู่ย่าตายายทั้งญาติพี่น้องนี่เป็นผลที่ตามมาจากการที่ไปหาความสุขนอกคุกของศีลหรือนอกคุกเอของศีลห้าหรือนอกคุกของศีลแปดถ้าเรายอมไปติดคุกในศีลห้าติดคุกในศีลแปดนี่ปัญหาต่างๆ เรื่องร้ายแรงต่างๆนี้มันจะไม่มีมันเราจะปลอดภัยอยู่ในคุกนี้ปลอดภัยกว่าอยู่นอกคุกอยู่ในในคุกนี้มีเจ้าหน้าที่คอยปกป้องดูแลรักษาป้องกันภัยต่างๆให้ถ้าออกไปอยู่นอกคุกนี้ไม่มีใครมาปกป้องคุ้มครองเราอาจจะถูกป้นจุกถูกจี้ถูกปั้มได้ถูกฆ่าตายได้ ดังนั้นการรักษาศีลจึงเป็นประโยชน์แก่จิตใจแต่ศีลที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลแปศีลสิบศีลสองยสิ น, 8, ส น, 10, ส น, นี้จะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ใจหนีออกไปหาเรื่องหาราวหาความทุกข์ต่างๆภายนอกคุกได้แล้วจะทำให้ใจมีเวลาที่จะมาฝึกสติมาเจริญสติมาควบคุมความคิดต่างๆ ไม่ให้คิดปรุงแต่งให้สงบพอสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่อยู่นอกคุกของศีลห้าหรือศีลแปดเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องพยายามทำกันถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์กันถ้าเราอยากจะได้พบความสุขที่ถาวรเราต้องอดทนเราต้องยอมทุกขกับการรักษาศีลต้องยอมทุกขกับการมานั่งสมาธิ เราต้องยอมทุกข์กับการที่เราจะต้องมาพิจารณาทำต่างๆเ <mainland> ช่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายที่เราไม่ชอบพิจารณากันเพราะเราพิจารณาเราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันที <iliyor> เพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองแต่ถ้าเราไม่พิจารณา yeah, ความแก่ความเจ็บความตายเราจะลืมและเราจะไปคิดว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเวลาเราไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเข้าเราจะตกใจเราจะกลัวอย่างสุดขีดแล้วจะทำให้เรานี้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะเป็นอะไรไม่เชื่อลองไปหาหมอดูสักวันหนึ่งวันไหนที่เรารู้สึกไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอก็ตรวจ ด, ดูว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนดูซิว่าเราจะตกใจหัหย ดูซิว่าเราจะมีกําลังใจอยู่ตามปกติอย่างที่เราเคยอยู่หรือไม่ตอนนั้นเราจะไม่มีกรจิกกระจายอยากจะทําอะไรใจเราจะวุ่นใจจะเราจะเครียดใจเราจะกลัวไม่มีความรู้สึกสุขอยู่ในใจเลยต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านต่อให้มีตําแหน่งสูงเป็น นายกเป็นประธานาธิบดีพอรู้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายใจมันจะเครียดมากมันจะทุกมากเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นี้นั่นเองแต่ถ้าเรามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาเราก็จะเริ่ม ฝึกใจสอนใจให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็ใช้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรามาใช้คือมาทำใจให้สงบกันเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะรับครับรับความแก่รับความเจ็บรับความตายได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยใจจะยอมให้น่างกายแก่ให้เจ็บยอมให้น่างกายตายยอมให้น่่งกายแก่ เพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้นั่นเองไม่มีใครห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี้สามารถห้ามใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เพราะความทุกข์เกิดจากใจเองเกิดจากความอยากของใจอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอใช้ปัญญาสอนใจใช้สมาธิหยุดใจ ใจก็จะนิ่งอยู่เฉยๆดูความแก่ดูความเจ็บดูความตายในความสงบนั้นซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งแทนที่จะทุกข์กับมีความสุขกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องพยายามฝืนทำกันการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนกับการรักษาใจด้วยยาขมไม่มีใครอยากจะดื่มยาขมกัน เวลาเดิมแล้วมันไม่มีรสชาติที่น่าอาเรเดอร่อยเลยมีแต่ความขมอยากจะบ้วนอยากจะเจียนทิ้งแต่ถ้าเห็นว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้โครคภัยไข้เจ็บหายคือจะทำให้ใจนี้หายจากความทุกข์ต่างๆหายจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายมีความสงบมีความสุข ที่จะสามารถอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายไปได้อย่างไม่สะทกสะทานเลยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำกันการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนกับการรักษาใจใจนี้มีโรคภัยก็คือความทุกข์ใจที่เราจะต้องดับด้วยธรรมโอสถก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหมือนยาขม ไม่มีใครอยากจะรักษาศีลกันไม่มีใครอยากจะนั่งสมาธิกันไม่มีใครอยากจ ะ, จะเจริญปัญญากันถ้าจะรอให้มันทําเองนี้อย่าไปฝันมันไม่มีวันที่จะบอกเราชวนเราว่าวันนี้ไปรักษาศีลกันนะวันนี้ไปนั่งสมาธิกันวันนี้ไปฟังเทศฟังธรรมกันของพวกนี้มันไม่ออกมาจากใจเราอย่างแน่นอนเพราะในใจของเรานี้มันต่อต้านศีลสมาธิปัญญามา ตลอดเวลาการที่เราจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้นี้เราต้องใช้สัมมาทิฏฐิใช้ศรัทธาความเชื่อว่าการมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เป็นการรักษาโลกใจเป็นการดับความทุกข์ใจและพระพุทธเจ้านี้ได้ใช้ยาชนิดนี้มาแล้วได้ผลอย่างอย่างอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยัน และพระอรหันตตสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้ยืนยันต่อมาฉั้นขอให้เรามีความเชื่อในศรัทธามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์สาวกทั้งหลายในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เราบําเพ็ญให้เราปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้จะดับความทุกข์ใจต่างๆของเราให้หมดไป จะยุติการเวียนร่ายตายเกิดของเราเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์นั่นเองเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายแต่ก็ห้ามไม่ได้แม้แต่ความการมาเกิดก็ห้ามเกิดไม่ได้เพราะการเกิดนี้มันมีเหตุของมันเหตุที่จะทำให้มาเกิดก็คือความอยากหรือความไม่สงบของใจนี้เราจึงต้องมาทาใจให้สงบ ทำใจให้ไม่มีความอยากพอใจสงบใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีความทุกข์ต่างๆอย่างที่เรากาลังมีกันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ความทุกข์เหล่านี้เราสามารถอยู่กับมันได้เราสามารถดับมันได้ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาดังนั้นเราเรายังมีโอกาสยังมีเวลา ชีวิตของเรายังมีอยู่เรายังสามารถาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ของขวัญอันเลิศอันประเสริฐแก่ตัวเราเองในวันขึ้นปีใหม่นี้ mm. ก็ไม่มีอะไรจะดีกว่าการให้ธรรมโอสถมารักษาใจของพวกเร า, เาธรรมโอสถนี้ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าพวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ตั้งแต่วันนี้วันแรกของปีว่า ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทุกๆวันหรือปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปฏิบัติให้เต็มที่ให้ได้กินยาให้ครบตามที่หมอสั่งให้ได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างเต็มที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอนหลันตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน การที่เราจะปฏิบัติได้ก็ขึ้นอยู่วันขึ้นอยู่ในวันนี้ที่เราจะต้องจ้างสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีลเราจะนั่งสมาธิเราจะเจริญปัญญาไปจนกว่าเราจะดับความทุกข์ทั้งหลังให้หมดไปจากใจให้ได้หรือไปจนถึงวันตายรับรองได้ว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเราให้ของขวัญกับตัวเราเองที่ไม่มีใครสามารถให้กับเราได้ก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจ ะ, จะเจริญศีลสมาธิปัญญาไปตลอดชีวิตจนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนถ้ามีเหตุก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ ก็ขอขออนุโมทนาขออวยพรในวาราิดชีขึ้นปีใหม่ปี2560นี้ขอให้คุณพระศรีรัตนไกรจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆภายในพบนี้ในชาตินี้ด้วยกันทุกคนเทอินว ลำดับตอบปนนี้ก็จะเป็นท่องถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามขอเชิญขึ้นมาถามที่ไมโครโฟนนี้ได้ถ้ายังไม่มีจะให้ ทางพิธีกรนำะเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อนครับกับนัสการพระอาจารย์ครับผมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์หนทางการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวหลักในการปฏิบัติธรรมของผมครับคือการฝึกจิตในย4ิบสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเนี่ยผมอ่า รู้สึกว่ามันมีตัวรู้กับตัวคิดครับผมก็จะเอาตัวรู้เนี่ยไปควบคุมตัวคิดเพื่อที่ไม่ให้เกิดความอยากเพื่อไม่เกิดความไม่อยากและก็กิเลสปัญหาเกิดขึ้นไม่ทราบว่าเป็นหนทางการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับคือตัวรู้ถ้ามันมีกําลังหยุดความคิดได้ก็ถูกถ้ามันไม่มีกําลังก็ต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยการใช้กรรมฐานที่เรียกว่าบุ สติต่างๆการจเจริญสตดิด้วยอารมณ์ต่างๆเช่นพุทธานุสติก็ให้เราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่มีคำบริกรรมเราจะไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่ถ้าตัวรู้เรามีกำลังมากพอรู้ว่าเรากำลังคิดก็สั่งมันหยุดได้ ก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมก็ได้แต่เราก็ยังต้องมีอะไรไว้คอยดึงใจไม่ให้ไปคิดเช่นเวลาเรากําลังทําอะไรอยู่เราก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังกินกําลังเดิมกําลังอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันคิดเป็นอนขาดถ้ามันจะคิดก็ต้องใช้พุโทโธช่วยดึงมันกลับมาครับ อ่าจากจิตของผมก็หลังจากที่ผมใช้ตัวเนี้มันเกิดห้าสิบห้าสิบบางครั้งก็มีความอยากบางครั้งก็ไม่มีความอยากเพราะว่าผมยังปิดทวานอายัดอณภายในและภายนอกของผมยังยังยังยังไม่ค่อยได้ได้แค่อ่าไม่มากผมก็อ่าฝึกไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับก็ต้องพยายามนั่งปิดเทวานทั้งห้าโดยการนั่งหลับตา นั่งหลับตาที่หองพร<ม><ม>ะสมาธิใช่ไหมครับใช่นั่งมากๆนี่เป็นการปิดทวานทั้งห้าครับนั่งมากๆครับสาธุผมจะนำไปปฏิบัติผมขอรบกวนพาอาจารย์แค่นี้ครับถ้ามีสติแล้วก็ต้องนั่งเพื่อหยุดเพราะว่าถ้ายังไม่นั่งจิตมันยังไม่หยุดมันก็จะพอเผลอมันก็จะคิดนนถ้าเรานั่งี้จิตมันจะนิ่งจะสงบได้เต็มที่ คำถามจาก a ฟ e b o o k ค่ะฟังธรรมจากพระอาจารย์วันที่ส1เอ็ดธันวาคมมีข้อสงสัยตรงที่พระอาจารย์บอกว่าควรทำบุญใส่บาตรทุกวันดิฉันอยู่ต่างประเทศมามากกว่ายี่สิบปีไม่มีวัดไทยแถวบ้านดิฉันไม่มีโอกาสใส่บาตรทุกวันควรทำอะไรเพื่อจะทดแทนการไม่ได้ทำบุญตักบาตรให้พระสงฆ์มามากกว่ายี่สิบปีคะแล้วพระอาจารย์ มีคำแนะนำสาหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่มีวัดแถวบ้านให้ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้บุญนอกจากการนั่งสวดมนต์และการนั่งสมาธิเองที่บ้านค่ะคือถ้าเราไม่มีโอกาสหรือไม่มีเงินทองที่จะทาบุญนี้เราก็ไม่ต้องทำที่ให้ทำเพราะว่ากลัวรเราจะเอาเงินทองไปไปเลี้ยงกิเลสไปรับใช้กิเลสตัณหา ถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวมันอยากจะซื้อข้าของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือจะเอาไปเที่ยวกันถ้าใช้เงินแบบนี้มันจะเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะมันเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ต่างๆดังนั้นถ้าเรามีเงินแล้วเราจะคิดเอาเงินทองไปเที่ยวเราก็เอาไปทำบุญวิธีทำบุญก็ทำได้หลากหลายวิธีถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรถ้าเราอยากจะใส่บาตรทุกวัน เราก็เอาเงินที่เราจะซื้อของใส่บาทนี้ใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกไว้เรื่อยๆทุกวันวันละเล็กวันตะน้อยตามกำลังของเราแล้วพอเรามีมากสมัยนี้เราไม่ต้องไปเองก็ได้เราส่งเงินโอนเงินไปที่วัดเลยก็ได้โอนเงินว่าขอถวายเป็นค่าน้าค่าไฟค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆของทางวัดถ้าบางวัดเขาต้องซื้อจัดซื้ออาหารก็ถวายเป็นค่าอาหารไปแล้วแต่ แ ต, แ, ตแต่ทางวัดจะใช่อันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับได้ทำบุญใส่บาตรทุกวันถ้าเราที่บอกให้ทำบุญใส่บาตรทุกวันคือในอดีตมันเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งพระและทั้งคารวะพระก็ต้องบินทบาตพระต้องออกไปบินทบาทหาอาหารจากญาติโยมญาติโยมก็เลยจะได้มีโอกาสได้ทำบุญเป็นปกติเป็นนิสัยการทำบุญอย่างต่อเ น, นื่องนี้มันจะทำให้ทาง่ายเพราะมันจะติดนิสัย แต่ถ้าเรานานๆทำทีนี้เราบางทีจะยึกยักยึกยักถึงเวลาทำก็เสียดายเงินเอาเงินไปซื้อกระเป๋าดีไหมเอาเงินไปเที่ยวดีไหมมันก็จะมีกิเลสมาคอยยึกยักกันอยู่แต่ถ้าเราทำมันเป็นนิสัยทำมันทุกวันทุกวันนี้กิเลสมันก็จะเข้าม า, ายึกยักไม่ได้ดะ <Yeah. S 1> งนั้นถ้าเราอยากจะฝึกนิสัยการทาบุญเป็นประจาเป็นปกติเป็นนิสัย เราก็เอาเงินที่เราจะทำบุญนี่ใส่กระปุกไว้ก็ได้ทุกวันเราวันนี้เราจะทำบุญเราตั้งจัดอย่างสมมติปีนี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทำบุญทุกวันไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราก็เอาเงินที่ต่อจะไปทำบุญนี่ใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้แล้วพอเรามีจำนวนมากเราก็โอนให้เข้าบัญชีของทางวัดไปก็ได้หรือถ้าเรามีโอกาสไปทาบุญเราก็เอาเงินที่เราใส่ ในกระปุกนี้เอาไปทำบุญได้เลยเราก็จะได้มีบุญได้ทำบุญทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเพราะทำบุญทุกวันมันก็จะทำให้เรามีความสุขคนที่เคยใส่บาททุกวันนี้บางวันเขาตื่นสายเข้ามาไม่ทันพระนี่เขายังต้องขับรถตามพระเลยถ้าเห็นพระเดินอยู่เขาก็ขับรถตามไปดักใส่ข้างหน้าเพราะว่าพอเคยใส่แล้วมันติดเป็นนิสัยใส่แล้วมันมีความสุข มือนได้รับประทานอาหารให้แก่จิตใจนะคก็เลยพอวันไหนไม่ได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปนะนี่ในกรณีที่เรามีเงินทองที่เราแทนที่จะเอาไปใช้ตามความอยากตามกิเลสตัณหาเราก็เอามาทําบุญกันหนะรือว่าถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องทําบุญทําทานเราก็รักษาศีลภาวนาไปเพราะการรักษาศีลภาวนานี้ก็เป็นบุญที่ดีกว่า ม, มีมีกำลังมากวามามากว่ามีอันนี้สอ์มากกว่าบุญที่เราได้รับจากการทำบุญทาทานอยั้นถ้าเราไม่มีกำลังไม่มีเงินทองเหลือเหลือที่จะเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาเราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเรามีเงินไว้สำหรับพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็ไม่ไม่ต้องทำบุญทาทานแล้วก็มารักษาศีลมาภาวนากันคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะ ดิฉันไม่ได้ตักบาทกับพระสงฆ์แต่เลี้ยงดูและอุปถัมแม่ทางการให้เงินทดแทนการไม่ได้ตักบาทมามากกว่า20ปีถือว่าทดแทนกันได้ไหมคะก็เหมือนกันก็เป็นการทำทานเหมือนกันการที่เราเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็เป็นทานเป็นบุญเหมือนกัน คำถามจากคุณจิตหนึ่งค่ะพอดีได้ฟังธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติแบบตกกระไดพลอยโจนไม่ค่อยเข้าใจค่ะไม่ทราบว่าทราบว่าเป็นการฝึกพิเศษนอกจากการภาวนาตามปกติกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะข้อหนึ่งสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินทำอย่างไรคะก็ให้รู้เฉยๆไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรารู้เราเห็น ใครด่าเราเราก็รู้เฉยๆว่าเ็าด่าเราไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจกับเสียงด่าหรือเสียงสรรเสริญใครให้เงินทองมาก็ไม่ดีใจใครขโมยเงินเราไปก็ไม่เสียใจเรียกว่าให้รู้เฉยๆสักตรวรู้ถ้าเราทำนี้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะเราอยู่ในโลกที่มีการมาการไปเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดา มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่ใจเรามันมีอคติมีรักมีชังมีกลัวมีหลงมันเลยไม่เฉยพอเห็นอะไรที่รักก็มันก็อยากได้เห็นอะไรที่ชังก็อยากจะให้มันไปเห็นอะไรที่น่ากลัวก็กลัวขึ้นมาก็พอเกิดอาการเหล่านี้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจให้เป็นอุเบกขาได้ปราศจากความรักชังกลัวหลงได้ เราก็จะสามารถสักแต่ว่ารู้ได้สักแต่ว่าเห็นได้สักแต่ว่าได้ยินได้นี่คือประโยชน์ของการที่เรามาฝึกสมาธิกันเพราะถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะเฉยได้คำถามที่สองค่ะเห็นเกิดดับแยกธาตุขันธ์อย่างไรจึงถูกต้องไม่เป็นการคิดเอาเองคะอ๋อตอนต้นก็ต้องคิดก่อนมันเป็นการศึกษา เหมือนกับสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาว่ามันมันมาอย่างไงมันไปอย่างไรใช่ร่างกายของเราเนี่ยมันมาอย่างไงมันมันมีที่มามันมีที่ไปถ้าเราไม่ศึกษาเราอาจจะคิดว่ามันมาจากสวรรค์ก็ได้หรือมาจากนารกก็ได้บางคนก็คิดว่าตัวเองมาจากสวรรค์บางคนก็คิดว่าตัวเองมาจากนารกแต่ความจริงร่างกายนี้มันมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เอามาจากดินน้ำลมไฟ พอแม่ก็ต้องกินอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟมันจึงมาเป็นร่างกายของเราแล้วพอร่างกายของเราตายไปมันก็ไปไหนต่อมันก็กลับไปหาดินน้ำลมไฟอันนี้คือเราต้องศึกษาดูให้เห็นเส้นทางเดินของร่างกายว่ามันมาอย่างไงมันไปอย่างไรแล้วเราจะได้ไม่หลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราจะได้ไม่หลงว่ามันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน มันไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายพอเราเห็นความจริงแล้วเราจะได้ปรับใจของเราให้รับกับความจริงไม่ให้ไปฝืนกับความจริงเพราะเวลาฝืนกับความจริงมันเกิดความทรมานใจขึ้นมาคำถามจากคุณบ้านเมาคอฟฟี่ค่ะ ติดตามฟังพระอาจารย์มาปีกว่าพยายามปฏิบัติตามคำสอนความทุกข์ในใจรวมทั้งการใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่สามีเพิ่งตายกระทันหันอยู่ด้วยอยู่ด้วยจนลมหายใจสุดท้ายในระหว่างที่หมอช่วยชีวิตจนงานศพเสร็จสิ้นยังไม่ร้องไห้เลยมีสติรู้ตลอดพยายามใช้ปัญญาตัด แต่มีความเศร้าหมองในหัวใจทําอย่างไรดีคะอยากให้สภาพจิตใจเข้มแข็งเป็นปกติคะ่ะก็ต้องทําใจให้สงบถ้าใจยังมีความเศร้าหมองอยู่แสดงว่าใจยังมีการคิดปรุงแต่งอยู่ใจยังไม่นิ่งไม่สงบจริงๆถ้าสงบจริงๆแล้วอารมณ์ต่างๆจะหายไปหมดงั้นถ้าเรามีความเศร้าหมองเราก็ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วพอใจสงบความเศร้าหมองนั้นก็จะหายไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่ า, เ, าเรากําถามใจว่าเรากําลังเศร้าหมองกับเรื่องอะไรเศร้าหมองเรื่องกับสามกับเรื่องสามีก็บอกว่ามันจบไปแล้วมันเป็นความฝันแล้วความสัมพันธ์กับเรากับสามีนะั้นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเหมือนความฝันเราอย่าไปอยากให้มันกลับมาเพราะมันไม่กลับมาและความอยากนี้ก็จะทําให้เราเศร้าหมองขึ้นมาได้ คำถามฝากถามค่ะความกลัวเกิดจากอะไรคะเป็นคนกลัวผีมากกลัวความมืดมากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ความกลัวก็เกิดจากความรักนะรักตัวกลัวตายถ้าไม่รักตัวมันก็ไม่กลัวตายคนที่เบื่อร่างกายมันก็คิดจะฆ่าร่างกายได้มันก็ไม่กลัวตายแต่คนที่รักร่างกายรักชีวิตอยากให้ชีวิตอยู่ไปนานๆมันก็กลัวตายกันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็เห็นว่าจะรักยังไง จะโง่ยังไงถึงเวลามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้เอ๊ะงั้นกลัวมันก็ทุกไปเปล่าๆทรมานไปเปล่าๆเพราะความกลัวนี้มันเป็นความทุกข์นั่นเองงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องสอนใจให้รับความจริงว่าในที่สุดมันก็ต้องตายถ้าเรายอมตายแล้วเราจะไม่กลัวเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปก็ผีมากก็เจ้าคะก็ผีมันก็เป็นเรื่องของมันก็ มันก็มาเกี่ยวกับความตายนั่นแนะ่ะผีมันจะทำะไรเราได้ถ้ามันไม่มาฆ่าเราถ้ามันไม่มาฆ่าเราเราจะไปกลัวมันทำไมถ้ามันเอาขนมมาให้เรากินเราจะไปกลัวมันทำไมเรากลัวมันจะมาบีบคอเราขอโอกาสท่านพระอาจารย์รได้ยินนะพูดใกล้ๆหน่อยเออคือเวลาล่างสมาธิฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์นะเจ้าคะ่ะ มันจะได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เทศตอนเริ่มต้นนะเจ้าค่ะพอสักพักหนึ่งมันก็จะมีความรู้สึกคือไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบไปเลยจนกระทั่งท่านเทศเกือบจบก็จะรู้สึกตัวบางครั้งก็คิดว่าตัวเองหลับก็จะลืมตาแก้โดยการลืมตาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ง่วง แต่พอเรารู้สึกว่าเราไม่ง่วงพอหลับตาปับ๊บมันก็จะไม่รู้สึกตัวไปจนกว่าท่านจะแสดงทําเกือบจบก็จะรู้สึกเป็นอย่างนี้บ่อยมากไม่ทราบจะมีวิธีการแก้ไขยังไงหรือว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะขอโอกาสเป็นเพราะสะติเราสติรเร า, รามีกําลังน้อยพอนั่งฟังไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเคริม้มแล้วสติมันก็เลยหายไปแล้วก็เลยหลับไป แล้วจะแก้ไขก็ต้องฝึกหัดฝึกสติให้มีกําลังมากขึ้นวิธีฝึกสติก็ต้องฝึกตั้งแต่เติ่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องเจริญพุโทโธไปเลยบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้จิตมันอยู่กับพุโทโธไม่ให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วต่อไปมันก็จะมีกําลังมากขึ้นและเวลานั่งฟังอะไรมันก็สามารถฟังได้อย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะขอพอบคุณเจ้าค่ะ ค้ัต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook l i v e นะครับจากคุณขันติพงศ์นะครับจิตมันวางทุกอย่างจนเหมือนกับขี้เกียจครับผมพยายามแก้แต่ก็ยังแก้ไม่ได้เออมันวางทุกอย่างจริงหรือเปล่าเงินทองมันวางหรือเปล่าหวางแต่การงานงานการที่ชอบวางแต่เงินทองยังไม่วางอย่าให้มันหลอกเรามันชอบให้เราวางในของที่เราไม่ควรจะวางในของที่เราควรจะวางมันไม่วางนั้น ต้องทดสอบดูว่ามันวางจริงหรือเปล่าถ้ามันวางมันต้องวางลาบยศสัระเสริญวางความสุขทางตาหูจมกูกนิ้งกายถึงจะเรียกว่าวางจริงถ้าวางอย่างอื่นนี่ยังถือว่ายัางวางไม่จริงคำถามจากคุณมาเนีศนะครับ การรักษาศีลทั้งศีลห้าและศีลแปดถ้าเราละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะทําให้ขาดทั้งหมดใหม่ครับและการคิดแต่ยังไม่กระทําจะเป็นการผิดศีลใหมครับออถ้าผิดข้อไหนมันก็ผิดเฉพาะข้อนั้นแหละมันไม่ได้ผิดทั้งหมดเราไม่ได้ไปรักทรัพย์เราไปโกหกแล้วเราจะไปผิดข้อรักทรัพย์ได้อย่างไรมันไม่เกี่ยวกันศีลข้อใดก็ข้อนั้นไปแล้วก็ การที่เราคิดจะทำบาปนี่ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลทางใจแต่ยังไม่นำไปสู่ความเป็นบาปเพราะยังการกระทำบาปยังไม่ครบเครื่องต้องมีการคิดแล้วต้องมีการกระทำแล้วถึงจะเกิดเป็นบาปขึ้นมาคำถามจากคุณเสาณีนะครับ การถวายสังฆทานหรือพัตตาหารคนที่ไม่ได้ถือของถวายหรือประเคนอาหารจะได้บุญเท่าคนที่ประเคนหรือไม่ถ้าเป็นของของเรานี่เราไม่ได้ประเคนก็เราก็ได้บุญ เหมือนกับที่เราประเคนเองเพราะบุญที่เกิดจากการให้ทานนี้มันอยู่ที่ของของเรารู้ไหมใช่เป็นของของเราคนเดินถวายให้เราเขาได้บุญอีกอย่างหนึ่งเขาได้บุญในการช่วยเหลือเรารับใช้เราแต่ถ้าเราทำเองเราก็จะได้บุญสองต่อได้บุญที่เกิดจากการทาทานและได้บุญจากการที่เราช่วยเหลือตัวเราเอง คำถามจากคุณชยาภานะครับได้ทำอาชีพเกี่ยวกับขายลูกกุ้งนี้เป็นอาชีพที่ผิดไหมคะถ้าขายแล้วเข า, เาไปฆ่าไปกินมันก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ฆ่าแต่เราก็เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพที่สนับสนุนการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนี่จึงไม่ควรจะกระทำเช่นขายยาพิษขายอาวุธต่างๆ ขายอาวุธขายกับกับดักสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะเอาไปใช้ในการที่จะไปทำลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะทำหรือขายสุรายาเมาขายยาเสพติดนี่นก็ไม่ควรเพราะจะทำให้ผู้เสพนั้นเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไปทำบาปต่อไปได้คำถามจะกคุณฉัตรมน์นะครับการติดตามถ่ายทอดสด ทุกวันหรือการติดตามย้อนหลังทุกวันแต่ไม่เคยไปกราบพระอาจารย์ถึงที่เลยจะได้รับอ น, นิสงส์ต่างกันไหมคะออไม่ไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจฟังธรรมที่เราฟังหรือไม่การฟังธรรมนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ต่อหน้ากันสมัยนี้มันสามารถมีสื่อที่สามารถส่งธรรมไปถึงที่เราอยู่ได้เลยัน สิ่งที่เราต้องการจากการฟังธรรมก็คือความเข้าใจฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็อยู่ที่สติถ้ามีสติเราก็จะฟังได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่มีสติเราก็อาจจะเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินก็เหมือนกับเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเราจะไม่เข้าใจธรรมที่เราฟัง เ, เวลาจะฟังให้เข้าใจเราต้องพิจารณาตามไปด้วยตามเหตุตามผลที่แสดงคำถามจะคุณจิรายุนะครับเนื่องจากจิตผมมันไม่ค่อยนิ่งเวลาพุทโธผมเลยดึงลมเร็วกว่าปกติพอสักพักอาการก็จะเริ่มสั่นทั้งตัวแต่ผมก็ไม่ทิ้งพุทโธจิตก็เริ่มขึ้นก็เริ่มนิ่งขึ้นนิ่งขึ้น แบบนี้เรียกว่าจิตรวมไหมครับแล้วจิตรวมเป็นอย่างไรครับ เ, เวลารวมมันเหมือนกับใบตกลุมตกบอ่อตกเขลมันวุบลงไปมันเด่งลงไปแล้วก็จะเน่งสงบแล้วก็ว่าเบาเย็นสบายเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ความคิดปรุงแต่งต่างๆก็หายไปแล้วก็เกิดความรู้สึกที่มีความสุขเบาอกเบาใจ และอาการที่เขาสั่นทั้งตัวครับพระอาจารย์แต่ไม่ได้ทิ้งพุโทโธครับพระอาจารย์คืออะไรครับคือถ้าเราไปนั่งแล้วไปบังคับลมนี้มันก็จะทําให้จิตเอ่อจิตเพี้ยนได้จิตการนั่งดูลมนี้เราไม่ต้องการควบคุมบังคับลมเราต้องการอาศัยลมเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปสั่งลมไปบังคับลมนี้มันก็ทําให้จิตใกล ต้องมีอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้นั้นแล้วก็เวลานั่งนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้พุทธโธกํากับกับลมถ้าเราอยากจะเ ร, เราอยากจะบริกรรมพุทธโธให้ถี่ขึ้นเราก็จะไม่สามารถที่จะให้ลมไปเร็วกับกับคำบริกรรมได้เราก็ควรปล่อยลมอย่าไปสนใจลมเอาคําบริกรรมอย่างเดียว ถ้าเราอยากจะบริการพุโทโธให้เร็วขึ้นกว่าลมหายใจนิ้กยาอย่าไปปลูกไว้ติดกับลมเพราะปูกแล้วมันก็จะไปบงังเข้าให้หายใจเร็วขึ้นอันนี้มันก็เลยเป็นการทํางานของจิตแทนที่จะปล่อยให้จิตนั่งนิ่งเฉยเฉยไม่ทํางานให้รู้เฉยเฉยก็ไปทําให้จิตต้องทํางานถ้าจิตต้องทํางานมันก็จะไม่มีวันสงบและอาจจะมีอาการแปลกๆต่างๆปรากฏขึ้นมาได้ ในอนทางที่ดีถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวดีกว่าหรือถ้าจะพุทโธก็พุทโธก็อย่างเดียวแล้วมันปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มีถ้าพุทโธอย่างเดียวจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้เปลี่ยนได้สลับกันไปเหมือนขับรถนี่ถ้าถนนมันรถเยอะเราก็วิ่งช้าหน่อยพอถนนมันว่างเราก็วิ่งเร็วหน่อยแต่ถ้าเราไปผูกไว้กับลมนี้ลมมันไม่มันไม่ค่อยเปลี่ยนความเร็วความช้ามันจะไปของมันตาม จังหวะของมันยันถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวดีกว่าคำถามข้อต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเนื่องจากวันนี้แอปพลิเคชันของ Facebook มีปัญหาทำให้อ่านคำถามยาวๆไม่ได้นะครับคำถามที่สองนะครับบางครั้งผมนั่งสมาธิพร้อมกับฟังธรรมะไปด้วยแบบนี้ถือว่าได้ไหมครับ คือถ้านั่งสมาธิแบบที่ว่าเราใช้พุทธโธแล้วดูลมแล้วฟังธรรมไปด้วยแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะมันมาจะมาชนกันถ้าเราฟังธรรมเราก็ฟังธรรมไปอย่างเดียวไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุทธโธเพราะถ้าเราพุทธโธหรือดูลมแล้วฟังธรรมไปด้วยมันก็จะมีหลายเรื่องเข้ามาทาให้จิตใจสับสนได้จิตใจก็จะไม่สงบแต่ถ้าเราฟังธรรมฟังเสียงธรรมอย่างเดียว เราก็จะทําให้ใจสงบได้เหมือนกับนั่งสมาธิโดยอาศัยเสียงธรรมแทนพุทโธไปแทนลมหายใจเข้าออกไปดังนั้นถ้าเราจะฟังธรรมนี่มันฟังได้สองลักษณะฟังเพื่อให้เกิดสมาธิความสงบหรือฟังเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าฟังเพื่อความสงบก็ฟังเสียงไปเหมือนกับเราดูลมไปไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรฟังเฉยๆแล้วใจก็จะค่อยๆสงบลงไป แต่ถ้าเราต้องการฟังเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเราก็ต้องคิดตามคิดว่าที่สอนที่ทําแสดงว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี้เราก็ต้องคิดว่าเออหนึ่งกับหนึ่งมารวมกันมันถึงจะเป็นสองสองกับสองบวกกันมันก็เป็นสี่อันนี้เราต้องคิดตามเราถึงจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นสองมันทําไมถึงเป็นสี่ ถ้าอย่างนี้เรียกว่าฟังเพื่อปัญญาอย่างที่สแสดงว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเวลาใจเราไม่อยากใจเราจะสงบเย็นสบายเพราะเกิดความอยากขึ้นมาใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็ต้องคิดตามเราถึงจะเข้าใจเราจะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมา ดังนนการฟังธรรมก็ฟังได้สองลักษณะฟังเพื่อสมาธิฟังเพื่อความสงบก็ฟังไปเฉยเฉยไม่ต้องคิดตามบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจคิดตามไม่ทันเพราะว่าปัญญาตามไม่ทันก็เลยต้องฟังเฉยเฉยไปก่อนฟังเอาเสียงธรรมมากล่อมใจเหมือนกับดูลมหายใจเข้าออกก็จะได้สมาธิแต่ถ้าอยากจะนั่งสมาธิดูลมหรือพุทโธก็ปิดเสียงธรรมและอย่าไปฟังธรรมเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ั้นเดี๋ยวมันจะมาปนกันมาชนกันแล้วจิตมันจะไม่สงบหมดแล้วใช่ไห ม, หม ว, วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินในวได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ